ขอกาบนมสการพระจันยุกิพระจันทรงศิลพระเทรานุเทระเพื่อนสัตรมิกขจเรญพรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาอทุกท่านก็เป็นกิจวัตรประจำวันหน้าที่พวกเราได้มาร่วมกัน ไว้พระสวดมนต์ทำวัดเพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงพระรัตนตรยัยก็มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ได้พิจารณาบทพิเศษการที่เราได้มาไว้พระสวดมนต์น้อมระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นการมาทบทวน นะสิ่งที่ควรจะปฏิบัตนะิโดยเฉพาะอย่างพระพุทธนะก็คือการตัสรูนะ้การรู้ความจริงนะพระธรรมนะก็คือสิ่งที่เป็นความจริงนะที่พระพุทธเจ้าได้กล่าวได้แสดงแล้วก็พระสงฆ์ก็คือการประพฤติปฏิบัติและเราก็ ให้คำมั่นสัญญานะว่าเราจะเป็นทาสของพระพุทธพระธรรมพระสงฆนะ์แล้วก็จะน้อมนำเอาความประเสริฐนะหรือว่าสิ่งที่เป็นคุณงามความดีนะของทั้งสามสิ่งนี้มาประพฤติปฏิบัติซนะึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราให้สัญญานะกับตัวเราเองนะว่าเราจะทําสิ่งที่เป็นคุณงามความดี นาะที่มีตัวอย่างมีต้นแบบนะก็คื อ, อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็พระอริยสงฆ์นะรวมตลอดจนถึงครูบาอาจารย์นะที่ยังมีชีวิตอยู่หรือที่ล่วงลับไปแล้วก็ตามอันะนี้ก็เป็นการที่ทำให้เราได้มาน้อมระลึกนะเพื่อให้เป็นกำลังใจนะกับการที่เราจ ะ, ะประพฤติปฏิบัติ นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เราได้มาเรียนรู้นะความจริงของชีวิตนะมาเรียนรู้เรื่องของกายเรื่องของใจนะซึ่งที่วัดป่าสุขโตเนี่ยก็ถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้นะที่พูดหรือนำเสนอนะในสิ่งที่ตรงไปตรงมานะเพระาะฉะนั้นผู้ที่มาวัดป่าสุขโตเนี่ยนะถ้าไม่ได้เรียนรู้เรื่องพวกนี้ ไม่ได้ฝึกปฏิบัติเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เสียดายนะแล้วก็เสียเวลาในการที่มานะที่วัดป่าสุกโตตัวกระผมนิธมาเองนะก็ได้มาพิจารณาใคร้ครวนว่ามันมีเหตุผลอะไรเนาะนะที่เราจึงมาที่วัดป่าสุกโตนะหลายหลายคนก็คงจะมีเป้าหมายนะมีจุดมุ่งหมายชัดเจนนะที่เราจะมา ปลดเรื่องความทุกข์ความหนะนักอกหนักใจหรื อ, อสิ่งต่างๆานะที่เป็นปัญหาข้างคาใจอยู่อาการมีชีวิตอยู่ในโลกนะที่ผ่านมาเนี่ยนะเราก็ได้เรียนรู้นะว่าชีวิตนะจะดำเนินต่อไปได้นะจะต้องมีปัจจัย4นีะ่ดอเลี้ยงร่างกายนะ ก็คืออาหารเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยรักษาโรค น, นั้นเป็นปัจจัย4 <c oughs> แต่ในปัจจุบันนี้ก็มีปัจจัยอื่นอีกมากมายที่จะม า, าตอบสนองนซึ่งก็เป็นความเข้าใจของคนโดยทั่วไปโดยเฉพาะตัวกระผมด้วยาศาไตรเองแต่ก่อ น, นก็มีความเข้าใจอย่างนั้น นะว่าชีวิตของเราจะมีความสุขนะก็ต้องมีมีเงินมีทองมากๆนะมีเกียรติยศชื่อเสียงนะซึ่งก็ไม่ผิดนะนี่เป็นเรื่องที่เป็นธรรมดานะที่เราได้เรียนรูนะ้ที่เราได้ประสบพบเห็นมานะก็มีทั้งสิ่งที่สมอยากนะก็เป็นความสุขอันไหนที่ไม่สมยากก็เป็นความทุกขนะ์ก็ กลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้นะบางทีสมอยากแล้วนะก็ยังไม่พอนะก็วิ่งหานะเรื่อยไปอยากให้มีความสุขเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะแต่ก็วิ่งเอาล่อเอาเถิดกับมันอยู่ตลอดเวลานะบางทีก็เหนื่อยนะตรงนั้นเป็นจุดหนึ่งนะที่ทําให้เรามองเห็นว่าความสุขที่ได้จากการเสพนะได้จากการกินได้จากการ เที่ยวเป็นความสุขชั่วประเดียวประดาะเป็นความสุขที่ไม่ยั่งยืนนะแต่เมื่อเราได้มาเรียนรู้เรื่องของกายเรื่องของใจโดยเฉพา ะ, ะเมื่อเราได้มาเจริญสติเราก็ได้ค้นพบว่าโอ้มันยังมีความสุขอีกชนิดหนึ่งนะเป็นความสุขที่มีอยู่แล้วนในตัวคนเราทุกค น, นก็คือความเป็นปกติของใจนะ คือเป็นความสุขที่ประนีตนะซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเร า, เ, าเรียนรู้ความจริงเห็นความจริงนะซึ่งตอนนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะใช้วัตถุนะมาตอบสนองได้วัตถุเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้ในการมีชีวิตอยู่มีความสะดวกสบายแต่ความอิ่ม อ, อกอิ่มใจในวัตถุไม่สามารถที่จะ ตอบสนองได้หรือไม่สามารถที่จะให้กับสิ่งเหล่านี้ได้แต่ความสุขประเภทนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรามาเรียนรู้เห็นความจริงของชีวิตนะว่าชีวิตที่แท้จริงนั้นนะมันเป็นไม่สุขไม่ทุกขนะ์มันเป็นปกติของมันแต่เนื่องจากสภาพหรือสภาวะแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องภายในจิตใจ เราไม่สามารถที่จะไปร่วงรู้หรือไปเห็นได้โดยนึกคิดเอานะแต่เราจะต้องอเรียนรู้นะด้วยการฝึกหัดนะด้วยการสัมผัสนะโดยใช้ความรู้สึกตัวนะซึ่งที่เรามาใช้ชีวิตอยู่ที่วัดป่าสุกตะแห่งนีนะ้เราก็ได้มาเรียนรู้เรื่องพวกนี้นะโดยเฉพา ะ, ะหลวงพ่อคำเขียนก็ดีพระอาจารย์ทรงศิลก็ดี หรือครูบาอาจาร์หลายท่านนะก็ได้แนะนําวิธีการนะในการที่ฝึกในการที่จะปฏิบัตินะซึ่งตรงนีนะ้หลายคนก็ได้ตั้งใจนะในการที่จะฝึกฝนเรียนรู้เรื่องพวกนี้โดยเฉพาะยิ่งผู้ที่เพิ่งมาใหม่ก็ดีหรือพระที่บวชใหม่ก็ดีนะถ้าได้เรียนรู้เรื่องพวกนี้แล้วแล้วก็ทําอย่างจริงๆ จ, จังเนี่ย ก็น่าจะเกิดผลแต่ก็ยังว่าแหละนะสำหรับคนที่เริ่มต้นใหม่เนี่ยนะเมื่อเราเริ่มต้นใหม่ใหม่เนี่ยบางทีเราก็จะไม่คุ้นนะบางทีมันก็มีความยากลำบากนะในการที่จะฝึกหัดนะโดยเฉพออาะยิ่งสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้นะจากการฝึกหัดอันนี้ก็คือความทุกข์ยากความน่วงเงหนาหเหลนอนความเบื่อหน่ายนะความปวดเมื่อยนะ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นสําสหรับคนเริ่มต้นใหม่เนี่ยมันจะเป็นอุปสรรคนะเป็นสิ่งที่ทําให้เราท้อแท้ท้อถอยเราไม่อยากจะทําเราฟังหลวงพ่อพูดกด็ดีฟังครูบาอาจารย์พูดกด็ดีเออมันก็ดีนะมันก็มีเหตุมีผลดีนะเออมันน่าทํานะมันมีกําลังใจนะแต่พอเวลาเราไป ท, ทําทีไรทําได้สักพักก็สู้ความง่วงไม่ได้นะหรือสู้ความเบื่อไม่ได้ นะก็รู้สึกว่าเอ๊ะมั น, ม, นมันทำไมเป็นอย่างนีนะ้เราคงไม่มีบุญแล้วมั้งนะบางทีก็ไปคิดอย่างนั้นหรือเรายังไม่มีบารมีมั้งนะไปคิดไปอย่างนั้นก็ท้อแท้ท้อถอยนะไปหากิจกรรมอย่างอื่นทำเสียนะไม่ลองสู้กับความเบื่อความงงเงาเ h า r นอนดูสักตั้งหนึ่งนะอันนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่ตัวของผมฤิตมาเองได้สังเกตจากตัวเอง ในระยะที่การฝึกใหม่ๆนะหรือจากคนที่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยนะมักจะยอมแพ้นะแล้วกไไ็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฝึกต่อไม่ได้ทำต่อนะเพราะทำทีไรก็ง่วงทุกทีทำทีไรก็เบื่อทุกทีนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อยากจะให้กำลังใจนะว่าเป็นทุกคนนะคนที่ฝึกใหม่ๆจะเป็นอย่างนี้ทุกคนแต่ว่าเราก็ต้องฝืนเราก็ต้องอดทนนะ เหมือนดังบทสดมนนึงว่าความอดทนเป็นตะบะเป็นเครื่องเผากิเลสนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องอาศัยความอดทนหน่อยสําหรับคนที่เริ่มต้นใหม่หรือคนที่ฝึกใหม่นะเราจะต้องพยายามผ่านอุปสรรคเหล่านี้ได้การผ่านอุปสรรคเหล่านี้ก็คือการที่เราขยันในการที่จะเคลื่อนไหวนะไม่ว่าจะเป็นการ เดินจงกรมการสร้างจังหวะ14จังหวะเนี่ยนะคือมันเบื่อก็ทําไม่เบื่อก็ทําขี้เกียจก็ทําขยันก็ทำนะก็คือไม่ใช่ว่าขยันทําขี้เกียจไม่ทำนะคืออย่าไปให้ความขยันด้วยความขี้เกียจพาทำแต่ใส่ความตั้งใจนะในการที่เราจะเอาชนะนะความเบื่อความเซงความง่วงเหงาเหงานอนเอาตัวเนี้ย เอาใจเราเนี่ยเป็นที่ตั้งนะแต่ละคนเนี่ยนะก็มีทั้ง อ, อ่สิ่งที่อาจจะค้างคาในใจนะเป็นอร่อยบาบ้างรอยบุญบ้างนะบางทีมันก็มาปรากฏให้เราได้เห็นนะตรงนี้เนี่ยเราก็อาศัยกำลังใจในการที่เราจะขยันในการเดินจงกรมในการสร้างจังหวะนะทำให้มันต่อเนื่องนะทำให้บ่อย มีเวลาว่างเมื่อไหร่ทำเมื่อนั้นนะกิจกรรมอย่างอื่นนี่ก็ให้ถือเป็นเรื่องรองไปนะถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักนะเป็นเรื่องหลักที่เราจะมาเรียนรู้นะตัวเราเองการเรียนรู้ตัวเราเองเนี่ยนะด้วยการเคลื่อนไหวนะมารู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวนะตรงนี้เนี่ยเป็นเครื่องมือสำคัญนะก็บางคนอาจจะดูว่าเป็นเรื่องที่ ไม่สําคัญนะ่ะก็ไม่ให้ความสําคัญไปไปทํากิจกรรมอื่นซักนะ่ะยิ่งพอมาเจอตัวเบื่อตัวง่วงแล้วก็ถอยเลยนะ่ะอย่างนี้ก็เลยทําให้เสียดายนะ่ะเสียดายเวลานะ่ะที่มาใช้ชีวิตอยู่ที่วัดป่าสุกโตการที่เราขยันนะ่ะที่จะเดินจงกรมขยันที่จะสร้างจังหวะเนี่ยนะ่ะมันจะเป็นการปลุกความรู้สึกตัวนะ่ะซึ่งมันเป็นนามธรรมนะ่ะเป็น อาการหนึ่งของจิตของใจนะที่มันจะสามารถไปต่อกอนะกับความเบื่อความเซงได้นะแล้วก็ไปต่อกรกับความคิดฟุ้งซ่านได้เพราะฉะนั้นคนที่ฝึกฝึกอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นคนเก่าคนใหม่นะมันก็จะเจออาการเหล่านี้ความง่วงเหงาเหนอนความเบื่อความเซงความฟุ้งซ่านนะแต่ถ้าเราผ่านความง่วงได้เนี่ยก็มีความตื่นขึ้นมาแทนที่ นะความปลอดโปร่งโล่งใจก็ามาแทนทีนะ่เราลองทําดนะูถ้าทําให้มันขยันทำํำจนมันหายง่วงเราจะสัมผัสอีกอาการหนึ่งของจิตเลยโอ้มันตื่นมันโปร่งมันโล่งขึ้นมานะความเบื่อมันหายไปไหนนะจิตเนี่ยมันจะรับรู้ในแต่ละขณนะหรืออางบางทีความคิดฟุ้งซ่านเนี่ยก็เหมือนกันบางคนเดินจงกรมโอ้โหทำไมมันคิดมากอย่างปกติเราไม่เคยเด้คิดเลย นะมาเดินชงกลมแล้วมันคิดฟุ้งซ่านเนื้อทำไงดีไม่ยากเลยนะถ้ามันฟุ้งซ่านก็กลับมารู้สึกตัวที่การเคลื่อนไหวนะไอ้นี่เป็นเครื่องมือเลยที่สำคัญมันคิดไปเราก็ไม่ไปตามความคิดกลับมาที่การเคลื่อนไหวของกายนะทำอย่างนี้บ่อยๆทำเรื่อยๆแ ร, รกๆมันก็ต่อกรกันไม่ได้หรอกนะเพราะความคิดมันแรงกาลังมันมากนะความรู้สึกตัวมันอ่อนนะมันยังไม่มีกาลังพอ ก็ไม่เป็นไรให้กำลังใจกับตัวเองว่าอ่ะมันคิดไป1ิเรื่องเรารู้ทันสักเรื่องหนึ่งอีก9เรื่องไม่รู้ไม่เป็นไรนะก็เริ่มต้นรู้สึกตัวใหม่บ่อยๆ อ, อย่าไปโทษตัวเองว่าอ๋อมันทำไมคิดมากไอ้นี่นทำไมคิดมากนะบางทีบางคนก็ทำไปทำมาก็หงุดหงิดนะโทษตัวเองอะไรต่างๆนานานะนะเพราะนั้นการฝึกเนี่ยบางทีเราก็ต้องให้กาลังใจตัวเราเองบ้างนะ ใช่จะไปลงโทษตัวเองเขี่ยวเขี่ยวเข็นตัวเองมากจนเครียดเกินไปบางทีก็บางทีก็หนักนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องดูความพอเหมาะพอดีเหมือนกันแต่ใหม่เนี่ยนะก็ต้องเจตนาเข้าไปตั้งใจลงทําเต็มที่แหละนะมันจะเครียดมันจะตึงก็ช่างมันไม่เป็นไรนะแล้วเดี๋ยวมันจะมันจะผ่อนของมันเองนะเราจะสังเกตนะมันตึงเกินไปเดี๋ยวมันก็ถอยออกมาหน่อยให้มันย่อนย่อนหน้อยอาตึงเข้าไป นะเดี๋ยวมันจะลงล็อกมันพอดนะีความพอเหมาะพอดีของกายของใจมันจะแสดงตัวออกมานะถ้าเราทําพอเหมาะพอดีพราะะฉนั้นขยันทําขยันเดินขยันสร้างจังหวะนะตรงเนี้มันจะช่วยทําให้เราได้สัมผัสนะกับความรู้สึกตัวนะที่ชัดเจนและความรู้สึกตัวนี่แหละมันจะเป็นเครื่องมือานะที่จะให้เราเข้าไปร่วงรู้ความจริง ของกายของใจอย่างเช่นว่าขณะที่เรานั่งอยู่นี้เรามีอาการปวดอาการเมื่อยนะเรามีความรู้สึกว่ามันปวดมันเมื่อยให้สังเกต ด, ดูนะถ้าเราไม่เคยฝึกมาเลยเนี่ยเราจะมีความหนุดหงิดขึ้นมาด้วยมันปวดมันเมื่อยแล้วมันหนุดหิดนะเนี่ยมันก็เป็นอาการของใจที่มันเกี่ยวเนื่องกับอาการของกายานะที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเรามีความรู้สึกตัวรู้เท่าทันมันก็มีปวดมีเมื่อย แต่มันไม่หมุดหงิ ด, ดนะมันก็รู้อยู่นะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะมันเป็นผลจากการที่เราฝึกแล้วเราเห็นความจริงว่าโอ้ความปวดความเมื่อยมันก็เป็นอาการของกายที่มันจะปวดจะเมื่อยนะเราจะบรรเทาได้โดยการเปลี่ยนแปลงแก้ไขบรรเทาภัยนะแต่ความหมุดหงิดเนี่ยมันเป็นความคิดปรุงแต่งที่เกิดขึ้นมาทีหลังนะหลังจากที่เราไปสัมผัสกับความปวดความเมื่อยความที่เราไม่ค่อยชอบนะ ความปวดความเมื่อยนะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเรามีความรู้สึกตัวชัดเนี่ยมันจะได้เรียนรู้เรื่องพวกนี้นะแล้วก็กายใจมันก็จะแยกกันชัดเจนเพราะนั้นตรงนี้มันจะเป็นประโยชน์มากนะถ้าเราเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมานะแล้วเรารู้จักรู้จักที่จะแยกตรงนี้ด้วยความรู้สึกตัวเนี่ยนะก็จะเจ็บป่วยเฉพาะกายนะแต่ใจเราไม่เจ็บป่วยไปด้วยนะเพราะว่าความรู้สึกตัวเนี่ย มันจะเข้าไปช่วยในการที่จะ ร, รู้รู้ความจริงความรู้สึกตัวนั้นเป็นทั้งสติทั้งปัญญาพร้อมกันนะเป็นสิ่ง เ, เป็นที่รวมนะของทั้งสติทั้งปัญญานะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ที่เราสามารถที่จะฝึกได้สามารถที่จะทำได้นอะกนะจากเราจะทำในรูปแบบการเดินจงกรม การสร้างจังหวะแล้วนะเราก็ควรจะประยุกตนะ์เอาไปใช้กับชีวิตประจำวันกิจวัตรประจําจวันตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนนะไม่ว่าเมื่อตื่นนอนเรามีความรู้สึกตัวนะหายใจเข้ายาวๆหายใจออกยาวๆให้มีความรู้สึกตัวตื่นตัวขึ้นมานะกระดิกมือเล่นกระดิกเท้าเล่นนะให้มีความรู้สึกตัวยังไม่ต้องลุกทันที นอนเล่นๆ น, นะสุโลโรมิจันเล่นๆให้มีความรู้สึกตัวก็ได้นะลึกกับพิบตาแล้วก็ใหลุกขึ้นนะด้วยความรู้สึกตัวนะล้างหน้าล้างตาแปลงฟันเข้าห้องน้ําด้วยความรู้สึกตัวนะตรงนี้เนี่ยนะก็จะเป็นความต่อเนื่องนะที่เราทํานอกรูปแบบนะเมื่ อ, ม, อ ม, ามาไหว้พระสวดมนต์นะก็มีความรู้สึกตัวกับบทสวดมนต์นะบางทีเนี่ย เราก็เผลอไปเหมือนกันบางทีสวดมนต์ไปแต่ใจเราคิดไปเรื่องอื่นเราก็ต้องดึงกลับมาที่บทสวดมนตนะ์นี้ก็เป็นการทําความรู้สึกตัวนะกับกิจวัตรที่ทําอยู่ขณะที่เราไปบินบนบะัดเราเดินไปในหมู่บ้านนะเราได้ยินเสียงเพลงนะบางทีเราก็เผลอไปตามเพลงเหมือนกันเคริบเคริ้มไปเหมือนกันะเพลงที่ถูกใจเรานะเพลงที่จังหวะเร็วๆ นะตรงนี้ก็ให้สังเกตนะหรือว่าญาติโยมที่มาใส่บาตรนะเป็นผู้หญิงแต่งตัวอาจจะไม่เค้เรียบร้อยเท่าไหร่นักนะเราก็ให้สังเกตดูบางทีใจเราก็คิดไปในเรื่องนั้นเรื่องนี้นะอันนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะเรียนรู้นะจากกิจวัตรประจำวันได้ขณะที่ตักอาหารขณะที่ฉันนะแล้ก็มีความรู้สึกตัว นะในการที่จะตักให้ผหมะพอดีชาติ น, ะนาฬิกาใหา้ไม่รีบร้อนเกินไปนะให้ผหมาะพอดีซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นความรู้สึกตัวที่เราสามารถที่จะ เ, เรียนรู้ได้นะในกิจวัตรประจําวันของเราเพนะราะฉะนั้นก็อย่าอย่าไปกําหนดเพียงแค่เดินจงกรมสร้างจังหวะเท่านั้นนะอย่างเามือ่อ ได้สังเกตคนที่มาฝึกปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยแต่บางทีก็พออยู่ในรูปแบบก็ทำกันดีนะพอทำเสร็จเลิกก็ไปคุยกันเลยซึ่งตรงนี้ก็ทำให้ความรู้สึกตัวไม่ต่อเนื่องนะไม่ไม่เข้มข้นนะเพราะนั้นความรู้สึกตัวถ้าไม่ต่อเนื่องเนี่ยโอกาสที่มันจะเกิดผลเนี่ยมันก็จะมีน้อย ต, ตัวกัปปวิธามาเองก็เคยได้ประสบกับตัวเองเหมือนกันสมัยที่ฝึกใหม่ๆเนี่ย เราก็ประมาทนะคิดว่าเอออยู่ในที่เดินจงกรมในการสร้างจังหวะเราก็รู้เท่าทันความคิดดีนะนะเราก็คิดว่าเออพอตัวแล้วละ่ะนะแต่พอออกไปข้างนอกนะบางทีเราไม่ได้ระมัดระวังนะเราไม่ได้สํารวมนะก็ทนะําให้เผลอผายไปเหมือ น, น, นกันนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นเป็นจุดบอดนะรู้เป็นจุดอ่อนนะที่ที่สังเกตเห็นนะจากประสบาการณ์ของตัวเอง แต่ตรงนี้ก็ไม่ได้หมายกันว่าเราจะต้องเดินแบบตัวแข็งไปเลยนะไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่หมายถึงว่าเราเดินตามธรรมชาติธรรมดาแต่ว่าให้เรามีความรู้สึกตัวมีความสำรวมระวังนะซึ่งตรงเนี้เรียกว่าสำรวมอินทรีย์นั่นเองนะซึ่งก็เป็นข้อนหนึ่งที่ผู้ทองได้แนะนําไว้นะว่าเป็นสิ่งที่จะทำให้ไม่เสื่อมนะไปจากคุณธรรมความดีนะ การที่เรามีความรู้สึกตัวอย่างต่อเนื่องทั้งในรูปแบบและนอกรูปแบบนั้นก็ถือว่าอาจจะเป็นการตื่นตัวตลอดเวลานะซึ่งเราเรียกว่าชาคิยานุโยคนะที่เขาพูดกันนะซึ่งตรงนี้ก็น่าจะเป็นจุดหนึ่งนะที่ทําให้เกิดผลนะในการฝึกปฏิบัตินะในความรู้สึกตัวให้ตื่นตัวขึ้นนะตรงจุดนี้เนะี่ยถือว่าเป็นเป็นส่วนที่ สำคัญนะที่จะทำให้เกิดการต่อเนื่อ ง, งเพราะนั่นเห็นได้ว่ า, าการฝึกเจริญสติด้วยการเคลื่อนไหวทั้งในรูปแบบทั้งนอกรูปแบบเนี่ยเราสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ตัวพัะนเรศวอมาอก็ชอบใช้คำคำนึงว่ากรรมฐานสะดวกทำนะก็มีอะไรอซ่นอีเลเว่นใช่ร้านอาหารร้านสะดวกซื้อ น, นอันนี้เรียกว่ากรรมฐานสะดวกทาก็แล้วกัน สามารถทำได้ทุกเวลานาทีที่ไหนก็ได้อิริียบทไหนก็ได้น่าสามารถที่จะใช้ได้นะถ้าเรามีเอ่อความตั้งใจในะในการที่จะทำในการที่จะทำให้มันอย่างต่อเนื่องเพราะนั้นโดยเฉพาะ ย, ายิ่งนะคนที่มีเวลาน้อยนะ่ามาอยู่วัดป่าสุขโตไม่กี่วันนะหรือพระที่บทใหม่มีกำหนดเวลาที่ชัดเจน ในการที่จะอยู่วัดป่าสุกโตรหรือในอยู่เพศบรรปะชิตเนี่ยอยากจะชักชวนนะอยากจะรุณรงค์ให้ทําเรื่องนี้นะเป็นเรื่องเป็นเรื่องสําคัญนะอย่าอย่าไปทําเรื่องอื่นนะเพราะว่าจะเสียเวลาการมาอยู่วัดป่าสุกโตเนี่ยก็มีมีจุดอ่อนสําหรับคนเริ่มต้นใหม่พปฏิบัติวัดป่าสุกโตเนี่ยให้อิสระเต็มที่ เพราะนั้นคนที่มาแล้วไม่ไมรู้ว่าจะทําอะไรเนี่ยบางทีก็ไม่รู้จะทําอะไรเหมือนกันนะวันๆก็ไม่ได้ทำอะไรไปบิณฑบาตไหว้พระสวดมนต์นะแล้วก็แอบเพื่อนคุยนะช่วยกิจกรรมของวัดบ้างนิดๆหน่นนนอยๆเวลาที่เหลือก็พักผ่อนนะซิ่งตรงนี้จะทําให้เสียเวลาเพราะฉะนั้นพยายามให้ใช้เวลาเนี่ยให้เกิดประโยชน์ด้วยการมาทําความรู้สึกตัวนะด้วยการเคลื่อนไหว ด้การสร้างจังหวะด้วยการเดินจงกรมนะซึ่งตรงนี้จะเป็นประโยชน์นะกับตัวเองนะเมื่อต้องอาอาลาศิกขาเพศไปนะหรือว่าออกไปเป็นกะหัส่์เพราะว่าการไปอยู่ในโลกเนี่ยโอกาสที่จะมาเรียนรู้เรื่องพวกนี้ค่อนข้างยากทำได้ก็จริงแต่ว่ามันมันยากนะถ้าเรามีโอกาสแล้วมาอยู่ที่นี่แล้วนะ ขอให้ใช้เวลากับเรื่องพวกนี้อย่างเต็มที่เรื่องความสะดวกสบายหรืออะไรสบายๆเนี่ย ก, ก็ลดลงนะคือใช้ชีวิตให้ให้เต็มที่กับเรื่องพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์นะกับตัวอของเราเองเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่อยากจะนําเสนอนะอยากจะชัญชวนสําหรับคนที่มาใช้ชีวิตที่วัดผ่าสุกโตนะ โดยเฉพาะคนที่เพิ่งมาใหม่ก็ดีนะเลยคนที่อยู่เก่าก็ดีนะคนที่อยู่เก่านี่อย่าประมาทนะถ้าเรายังไม่ถึงที่สุดเนี่ยอย่าคิดว่าโอ้พอตัวแล้วเราพอเพียงแล้วนะถ้ายังไม่ถึงที่สุดเนี่ยอย่าประมาททีเดียวนะก็ให้ฝึกฝนตัวเองไปเรื่อยๆนะถ้าฝึกฝนไปเรื่อยๆความรู้สึกตัวที่มันแจ่มชัดมันตื่นตัวเต็มที่เนี่ย มันจะเห็นความคิดเห็นจิตใจที่ละเอียดขึ้นเรื่อยๆนะและการปล่อยวางมันก็จะเกิดขึ้นเป็นลำดับลำดับไปนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นกาไรของชีวิตนะเป็นกาไรของชีวิตจริงๆเป็นความสุขที่ประณีตเป็นความสุขที่ทุกคนสามารถที่จะสัมผัสได้ เพียงแต่ว่าต้องลงแรงหน่อยต้องขยันหน่อยไม่สามารถใช้เงินทองซื้อได้ไม่สามารถให้คนอื่นทําได้มีแต่ตัวเราเองต้องช่วยตัวเราเองทําตัวเราเองนะด้วยการทุ่มทุ่มเทแรงกายแรงใจลงไปใช้เวลาทุกเวลานาทีให้เกิดประโยชน์เพื่อให้เกิดความรู้สึกตัวถ้าเรามีความรู้สึกตัวแล้วนะมันก็จะช่วยกระจัด โรค ก, นะก็คือความหลงความโลภความโกรธไดนะ้ซึ่งอาตมาถือว่าเป็นโรคอย่างหนึ่งนะเป็นโรคทางใจนะแล้วก็ความรู้สึกตัวเนี่ยถือว่าเป็นยาสามัญประจําใจนะนี้ก็อยากใช้อีกคำหนึ่งนะมาเออเป็นยาสามัญประจําใจทุกเมื่อไรให้คิดถึงความรู้สึกตัวกลับมารู้สึกตัวนะให้เป็นยาสามัญประจําใจขึ้นมานะแล้วตรงนี้ก็จะเป็น เครื่องมือสำคัญนาะที่ทำให้เรามีชีวิตนาะที่มีสันติสุขนาะในจิตใจและเมื่อเรามีสันติสุขแล้วนาะมันก็จะเผื่อแผ่ไปถึงคนรอบข้างนาะและก็นกอกจากจะมีความรู้สึกตัวมีสันติสุขในใจแล้วนาะเราก็ได้ทำประโยชน์ให้กับคนอื่นช่วยเหลือการงานของส่วนรวมนาะช่วยเหลือ แนะนำ เ, เป็นการยาณามิตรกับคนอื่ น, นแลกเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันให้กำลังใจกั น, นทำให้เกิดชุมช น, นแห่งความรู้สึกตัวที่วัดป่าสุขตะแหว่งนี้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะนำเสนอใ น, ในวันนี้ก็คิดว่ า, าในท้ายที่สุดนี้นก็ขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัย นะก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆนะ์พระพุทธก็คือสติปัญญาของแต่ละคนนะซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพระธรรมคือความจริงของชีวิตนะก็คือชีวิตของคนเราเนี่ยมีความเป็นปกติเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะที่เราจะสัมผัสได้นะส่วนพระสงฆ์ก็คือการที่เราลงแรงกายแรงใจพระพุทธปฏิบัติ นะเพื่อที่จะเข้าถึงความจริงของชีวิตนะคือความเป็นปกติสุขนะพร้อมกับสิ่งเหล่านี้นะจงเป็นพละวะปัจจัยให้ทุกท่านนะได้สัมผัสนะกับความเป็นปกติสุขนะในเรยววันนี้โดยทั่วหน้ากันเทินเจริญพร